เดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆปัญหาว่าเรามันแข็งทําแข็งตัวแข็งกระด้างนั่นแหละมันไม่ไปอะ่ะเพราะมันไม่เห็นน่ะไอ้คุณไม่เห็นหรือคุณไม่อยากเห็นกันแน่อ๋อจะคุยไปคุยมาบอกเขาไม่อยากเห็นหรอกเนี่ยนะแต่เขาอยากจะฟังแล้วก็จะได้หาเรื่องคุยไปอย่างนั้นโอ้เสียดายเวลาเนี่ยนะเกือบตายแล้วนะคุยไปครึ่งชั่วโมงก็หมดเวลาชีวิตไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนะเสียดายเวลาชีวิตใช้บุญเก่าเปลืองมาก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 เป็นไปตามนั้นเนี่ยนะเป็นไปตามนั้นอย่างสมัยนี้เขาบอกว่าทาไมเด็กจึงโหดร้ายดุร้ายก็เพราะเด็กเนี่ยมีบุรุษในดวงใจของเขาคือคนที่เฮี่ยมที่สุด น, นะคนที่เรียกว่าฆ่าแบบไม่กระพริบตาเนี่ยนะฆ่าได้เท่าไหร่ก็มีความสุขในการเข็นการฆ่าเท่านั้นเขามีความสุขที่สุดฉันใดะนะมันก็ว่าอะไรนะเามองเห็นไฟนรกแมมันแมมันสะใจมีความสุขมากเหมือนกับเดินออกมาจากไฟได้อะไรได้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 อันนี้อธิโมกก็คือศรัท ธ, ธามีกําลังยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปปักขะะก็คือวิริยะเนี่ยนะวิริยะมีกําลังขึ้นวิริยินศีวิริยะพระมีกําลังขึ้นอุปทานะตั้งมั่นก็คือสติสติสตอุปทานะสติมีกําลังมากไม่ฟั่นเฟือนไม่เบลอไม่ไม่เผลอเร่อเนี่ยนะส่วนอุเบกขาเนี่ยนะนี่อุเบกขาความวางเฉยอันนี้ก็คือด้วยปัญญาด้วยอนุภาพของปัญญาก็สาย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 ส่วนข้อหนึ่งถึงข้อเก้านี้เป็นเรื่องที่ดีแต่แต่ที่ที่เรียกว่าวิปัสสนูปะกิเลสแปล ว, ว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองเพราะเกิดคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาก็เลยอุ้ยบรรลุแล้วบรรลุแล้วแค่นั้นแหละมันก็เลยพอคิดว่าไม่ถึงแต่สําคัญว่าถึงคืออะไรนะนึกว่าตัวยังไม่ถึงที่ปลอดภัยแล้วสําคัญว่าถึงตัวเองถึงที่ปลอดภัยแล้วก็เลยสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นเลยไม่เป็นไรแล้วมันปลอดภัยที่สุดแล้วก็เลย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 ที่ป้องกันได้แน่นอนตลอดไปนะนะยังถ้าองค์มักประชุมกันพร้อมอะไรพร้อมมันก็เป็นวัคซีนที่พิเศษไม่ติดเชื้ออีกต่อไปแล้วเชื้อคือสกายยะทิฐีวิจิกิจชาสีและพัตะปรามานไม่เข้าแทรกอีกต่อไปถ้าครบชุดเนี่ยนะแล้วถ <depending> ้าผู้ใดรับประทานพระพุทธเจ้าบอกว่าองค์มักเนี่ยนะบอกว่ายาภายนอกยาถ่ายยาอาเจียนยาสํารอกภายนอกใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างแต่ยาคือมักอันประกอบไปด้วยองแปดของพระพุทธเจ้าดีจริงไม่มีโทษ ทำรอกกิเลสได้จริงแล้ะรักษากิเลสได้จริงด้วยเนี่ยนะก็มองว่าผู้นี้เป็นยาแต่เป็นธรรมโอสถเนี่ยนะเป็นกุศลธรรมที่เป็นโอสถโอสถคือกุศลธรรมรักษาโรคจิตอาโรคทางใจอ่ะรักษาโรคใจอ่ะโรคใจคืออะไรบ้างอาสวะโอคะโยคะคันธานิวรณะอนุสัยสังโยติกิเลสบาปอากุศลกายยตุจิเรตวจีทุจริตมโนทุจริเต เนี่ยรักษาโรคมิดชาทิฐิโรคมิดฉ้าสังกับตาโรคมิจฉามะปู้รักษาสารพาัดโรคนะรักษาโรคที่มันจะพาตกไปสู่อาบายทุกปฏิวินิบารณนระกป้องกันอาบายโอ้ดีจริงๆยาขนาดเนี้นะแต่ที่สําคัญมันมันต้องค้นหาจากที่ไหนเนี่ยหาที่ใจของเรานะหาที่ใจของเราอะ่ะจะต้องทํำยังไงอะ่ะคือคือคนที่เจริญธรรมะระดับสูงเนี่ยเราจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเขาจึงมีความมั่นคง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 ที่พระริยเจ้าทั้งมวลในอดีตทุกพระองค์ท่านก็ข้ามพ้นอย่างนี้แหละให้ใจเราเนี่ยนะขอร้องบอกเลยว่า น, นี่คือเป้าหมายนี่คือสาระนี่คือผลประโยชน์ของเรานะเขาบอกวันนี้คือเส้นทางของเรานะตั้งเป้าหมายอธิษฐานสมาทานแบบนั้นเลยเนไเขาเรียกว่าตั้งแบบนี้บ่อยๆเรียกอะไรอัตตะสัมมาปณิธิและเป็นลักษณะของผู้มีศรัทธาและเป็นลักษณะของผู้มีความเพียร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 อย่างศีลวิสุทธิ์ที่ก็คือตั้งแต่อเซวานาจะพาลานังไปจนถึงโนและอารตีวิรติปาราเนมัชฌาปานาจะสัญญโมพวกนั้นอยู่ในคุณธรรมของผู้มีศีลวิสุทธิ์ทั้งนั้นนะพอศีลวิสุทธิ์ที่เนี่ยไปจนถึงโน่น่ะกาเลนะธรรมสวรณังกาเลนะธรรมสากัตชานะ่นะพอจิตตวิสุทธิ์ที่ก็ตะโปจะพรหมจริยจะเนี่ยนะนะพอหลังจากนั้นก็เป็นกังขาวิตรณวิสุทธิ์ที่นี่ก็จะเป็นพวกนัะ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 ถ้าเราจะปฏิบัติถ้าเราจะศึกษาถ้าเราจะเจริญถ้าจะให้มีคุณธรรมในใจก็ขอให้มีคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะก็จะเจริญเมตตาให้ตัวเองให้ตัวเองจเจริญด้วยคุณธรรมเหล่านี้ถามว่าถ้าเราจเจริญกด้วยคุณธรรมเหล่านี้เราพ้นทุกไหมพ้นจากทุกไหมก็พ้นจากทุกขแน่นอนเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่มีใจว่าขอให้มีคุณธรรมเหล่านี้เพื่อจะได้พ้นทุกนี้เรียกว่ามีกรุณาเนี่ยนะเรียกว่ามีกรุณาว่าขอให้ได้รอบรู้ใน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 กรุณาตัวเองถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้มันเลวร้ายมากเนี่ยเนละอย่างสมมติถ้าแบบโพวกทรัพย์ในโลกเนี่ยนะถ้าเรามีบ้านกับไม่มีบ้านต่างกั น, นยังไงนะไม่มีบ้านนะไม่แปลว่าไม่มีที่พักไม่มีบ้านเช่าไม่มีอะไรสักแห่งเลยนะจะโดยเช่าโดยซื้อโดยจริงโดยอะไรก็ช่างแต่ถ้าไม่มีเลยจะเป็นยังไงกับมีแล้วมันต่างกันยังไงอาหารก็เหมือนกันถ้ามีกับไม่มีอาหาร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 ก็บอกว่าถ้าเห็นเขาเดินผิดเท่าไรเราต้องยิ่งขวนขวายเพื่อที่จะเดินออกจากเดินให้มันตามตามถูกให้ถูกทางเท่านั้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็เราก็เป็นกลายเป็นคนที่ขาดการุณาต่อตัวเองเนี่ยนะเรา เ, เ, เราต้องพยายามที่จะสมาทานให้มีศรัทธามีกุศลธรรมตั้งมั่นเป็นไปตามาศาสนาถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยนะเขามาพูดเนี่ยไม่ไม่พูดให้มันเกินโสตาปฏิยังฆธรรมหรอก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 ทําเป็นยินดีกับเดรชาไปเธอเนี่ยนะจะยินดีกับสิ่งใดก็คือนั่นแหละว่าที่แล้วล่ะคนนั้นอ่ะคือว่าที่ของสิ่งที่ตัวเองยินดีถ้ายินดีในภาเรยะเราก็ว่าที่เหมือนกันเนี่ยนะว่าที่ไว้หลายอย่างได้เอาไหนมันก็ต้องคิดให้ดีเหมือนกันนะว่าควรจะว่าที่เรื่องอะไรเป็นเป็นหลักใช่ไหมคือแปลงให้ทางธรรมะท่านให้ความสําคัญลักษณะนี้ว่าถ้าเราเห็นด้วยกับสิ่งใดเราชื่อว่ามีหุ้นส่วนกับสิ่งนั้น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 ข้างหน้าต่อไปจะมีว่าทำที่ควรให้แจ้งคืออะไรบ้างเช่นโสดาปฏิพลสกธาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลอริยผลเหล่านั้นที่ทำให้แจ้งก็เนื่องจากการเจริญสิ่งที่ควรเจริญคือเจริญอริยมรรคที่ควรเจริญทีนี้อริยมรรคที่ควรเจริญนั้นในพาเวตปรธรรมให้ความสาคัญกับสัมมาสมาธิเป็นพิเศษเนะ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 ชัดเจนเพราะันาเวตประธรรมนั้นเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสันเสริญยกย่องนะยกย่องบ่อยมากเช่นกายยคตาสติผู้ใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสันเสริญมากเลยเกี่ยวกับเรื่องพาเวตประธรรมยกย่องเยอะในพระสูตรเป็นร้อยสูตรให้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญ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 โทษโชงเจ็ดทำแปดที่ควรเจริญคืออริยมรรคมีองค์แปดทำเก้าที่ควรเจริญคือนวปาริสุทธิปทานนี่ยังฆะาเก้าองค์แห่งความเพียรอันเป็นที่ตั้งแห่งความบริสุทธิเก้าประการทำสิบที่ควรเจริญก็คือกสินสิบนี้พอมาขึ้นข้อใหม่ข้อหกสิบแปดบอกว่าภาวนานี่มีสองอันนี้เน้นเน้นอัปปนาภาวนาอย่างเดียวไม่พูดภาวนาระดับล่างๆแล้ว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 บางพวกได้เนว่าสัญญาก็บอกอู้นี่สุดยอดแล้วพวัคคะก็บอกโอ้ยอักคะของพบแล้วสุดยอดแล้วก็เลยบอกพอแล้วพวกคิติภากยะส่วนบางพวกมีโน้มขึ้นระดับสูงยิ่งขึ้นพวกนี้นเรียกว่าไฟสูงไฟสูงเนี่ยภาษาทางธรรมะเรียกว่าวิเสสะภากยะแต่ภาษาไทยมาเอาไว้สกัดจุด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 อธิษฐาปฏิสัมพันธ์รรมาสัทธธรรมะปกาสินีทมมันทัดบนสุดอ่ะสัทธธรรมะปกาสินีอธิบายไว้ว่านนะยกมาจากอี่ธรรมว่าพระโยคาวจรไม่ได้สดับมาจากผู้อื่นอันนี้ขึ้นต้นด้วยแบบจินตามยะปัญญาก่อนนะว่าไม่ได้ฟังจากใครเลยย่อมได้เฉพาะซึ่งกรร ม, มสกาตาคือความรู้ว่าเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตน